ต้องทำต่อเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติมีผู้บอกมีผู้พูดมีผู้ฟังเอาไปทำตามที่บอกพระพุทธเจ้าเป็นบรมกรูบอกสอนไว้แล้ว อะไรผิดอะไรถกมีทุกข์อะไรมีโทษอะไรไม่ไมีทุกข์ไม่มีโทษหัดตนสอนตนฝึกตนฝึกกายฝึกใจมีสติเป็ผู้ดูผู้เล่หผู้ฝึก ผ, ผู้สอนกายใจถ้าไม่สอนไม่ดูแล่หกายใจมันก็ เ ล, เ ล, เลอะเะเธอเธอหลงหลงผิดไปเกิดเจ็บเจ็บตายในกายในใจในรูปในนามนี้มันมีการเกิดการเจรการเจ็บการตายก็ฝึกตนสอนตนมีสติเห็นให้ถึงกิจ ด, ดูธรรมชาติเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วก็จะถือการเกิดเจ็บเจ็บตาย ได้ดังที่เราสาเทีพประสูตรเมื่อถูกเทวทูตเตือนแล้วยังประมาจูก็ถึงความเกิด เ, เจ็บตายได้ในรูปนี้ก็ไม่พัฒนาให้มัน ถูกต้องมันก็ไปรู้อร่อยในน้มนี่ถ้าไม่พัฒนาให้ให้ถูกต้องมันก็ไม่รู้อร่อยมันก็ซุกซนมันมีวัตถุให้เกิดความหลงเยอะแยะในรูปก็มีรสชาติของโลกในน้มก็มีรสชาติของโลกรูปโลก โลกที่เกิดกับรูปมากมายโลกที่เกิดกับนามมากมายโลกของรูปบางอย่างรักษาหายได้บางอย่างรักษาไม่หายก็มีบางอย่างไม่รักษาก็หายโลกของรูป ส่วนลกของงนมลักษาหายหมดแล้วอย่าทำบังหอัญเกินความหลงเปิดขึ้นที่กายที่ใจก็ให้สั่งให้สอนให้ลู้ศักตัวตื่นลูก ขณะที่มันหลงเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเช่นโลกกระธรรมหล่อยศสนเสริญสุขทุกเนินทามันเป็นโลกกระธรรมเป็นรถของโลกเมื่อสัตว์โลกไม่ผูกตนสนตรงก็ตกอยู่ในอำนาจของโลกเหล่านี้ได้เมื่อนินทาก็เป็นทุกข์ เมื่อเสด็จก็เป็นสุขเ่อได้ก็เป็นสุขเมื่อเสียก็เป็นทุกข์มันบังคับมันยอมรับถ้าเราฝึกตนสองตนมันจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีให้เราฝึกอยูเสมอสิ่งที่ผิดที่ถูก เราจะเลือกได้เลือกได้ฝึกได้สอนตัวเองได้เวลาที่มีเหมือนกันมินทาก็มีสอนสอนก็มีเกิดขึ้นจากภายนอกเกิดขึ้นจากภายในสมมุติปัญญาเกิดขึ้นบางทีก็ความคิดก็ เป็นทุกข์ได้นั้นกับอาเหาเสือตัวเองความคิดก็เป็นทุกข์ความคิดเฉยก็เป็นทุกข์เบาบางถ้าเราไม่เพก น, นะ ความคิดทำให้กัดตอดตพวองให้เจ็บปวดถ้าไม่ฝึกไม่รู้อะไรเจ็บปวดเพราะความคิดถ้าไม่สอนตนไม่ฝึกตนนะถ้าเราฝึกมันก็ได้ปัญญามา้ายก็เป็นดีได้มันฝึกได้ทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับนมามธรรม ถ้าเราเพิบก็จะเห็นจิตเดินแท้เห็นธรรมชาติของธรมธรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นผลของธรรมชาติจึงได้จิงหนึ่งเกิดขึ้นจึนั่นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวใช่ตน้นมันทำได้เหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาการแรกแก่ปัญจวคี เมื่อก่ันทญญายาลู้ตามที่พระองค์ทรงสังสอนพระเจ้าก็อุทานออกมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่นั้นย่อมเป็นความดับไปเป็นธรรมดามีผลแน่นอนได้ผลได้ผลมีอยู่คนหนึ่งก็มีอยู่กับคนหนึ่ง มรรธรรมถูกเป็นแต่เดียวกันไปหมดจึงได้จิ่งึงเกิดขึ้นเป็นธรมรมนาสิงนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมนาอย่างกินจิตสามุาทยธรรมังสอบพัทังนิโรธรรมมันติเหมือนกระเปิดโลกกว้างใหญ่ได้เฉลยเกิดขึ้นในชีวิตเหานี้ยังเห็นชัดกว่านั้ น, น, นมันก็เปลี่ยนได้ในหลงไม่หลง ทุกข้างที่มันหลงทุกทั้งที่มันทุกเปลี่ยนไว้ทุกตัวข้างที่มันผิดเปลี่ยนไม่ผิดอย่างนี้บุคก็ทํามน้่เป็นงานจริงๆเป็นงานที่พัฒนาหน้าหลงเนี่ยพัฒนาถ้าทุก็พัฒน า, น า, ฒนาถ้าโกรธถ้าอะไรที่มันเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ทําให้ผิดพลาดก็ต้องพัฒนาให้ดีมันจะดีได้เพราะ ถูกพัฒนาไม่ว่าอะไรก็ตามวัตถุสิ่งของก็ตามต้อมแางสิ่งที่มันข่ำค่าพัฒนาสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาพัฒนาสิ่งที่มีแล้วให้เจริญมากขึ้นในชีวิตของเรานี่มันเป็นไปได้ มันเป็นมากเป็นผลในรูปในน้าในการในใจนี้ถ้าเราไม่หัดก็ไปถูกความเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าเราฝึัดก็อยู่เหนืการเกิดเจ็เจ็บตายตรูปนามนี้แล้วก็มีทางไปโดยเพราะที่การกรรมฐานนี่เกิดขึ้นก่อนตัดชลูกคือวิชากรรมฐานนี่ มิสติเป็นในกาอยู่เป็นประจำลองดูมิสติเป็นในใจอยู่เป็นประจาลองดูต้นตอมันก็มีสองอย่างนี้ทุกชีวิตมีสองอันนี้เหมือนกันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันหมดแต่ต่างวละกันเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่หลีกหนีไปจากสติได้สตินี่เหมือนกระจก สองดูตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่แบบกระจกสองรูใบหน้ากติสองรูภายในกายในใจเห็นอาการต่างๆที่มันะเกิดขึ้นกับปกับใจแล้วก็จากตกแต่งมันมี สิ่ที่เปิดเพื่อนเข้ามามันมีสิ่งที่โผล่เข้ามาโผล่เพื่อนเกิดขึ้นสัมผัสดูแล้วมันก็ต่างแต่เดิมมันปกติมันเกิดสีนี้ผิดปกติเพราะมันเปิดเพื่อนทีหลังก็พัฒนาตรงนั้นเห็นกายเห็นใจเห็นวาจา ดูแลกายว่าจาใจรักษาสามพายหายสามทษมีเท่านี้ผ่านสติทั้งนั้นจอเมื่อเราดูได้จอทีวีอะไรก็ผ่านมาทางหน้าจอแม้แต่โลกกว้างใหญ่ไะสานดูหน้าจอก็เห็นแล้วมันมีตาข่าย โลกไ ม, มีตาขายทุกตารางนิ้วเราใจดูตนไหนกดลงไปเห็นหมดจตติสัมปชัญญะนี่เหมือนกันดูแลกายใจคุ้มครองกายใจได้แน่นอนปลอดภัยถ้าเราฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกมันก็ปนเพื่อนอะไรต่างๆผ่านไปแยะๆ บางทีอันตรายก็ไม่ความประมาทก็มีถึงการเก่การเจ็บการตายเจ็บเป็นเจ็บฉุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกมันผ่านไปเข้าไปในกายในใจเราแต่เรามีสติก็เห็นมันไม่เป็นไปกับมันมันก็มีให้เห็นอยู่มีหลงก็มีรู้มีผิดก็มีถูก มีเกิดก็ไม่เกิดมีแจอก็ไม่แจ่ไมีเจ็บก็ไม่เจ็บ ม, มีตายก็ไม่ตายมีอยู่แน่นอนมันมาให้เราได้พัฒนามีสติเห็นพัฒนาเห็นพัฒนาแล้วไม่เป็นพัฒนาได้แล้วมันหลงเห็นหลงถูกพัฒนาไม่เป็นผู้หลง นี่เรียกว่าปลูกตนสนตนแต่ก่อนไม่เพึกหลงเป็นหลงสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เจ็บเป็นเจ็บเฉาเป็นเฉาตายเป็นตายตกระทบไปหมดหม ด, หมดไปหมดตายผูวว้คนตายเจ็บผู้คนเก็บไม่เหลืออะไรเลยถ้าลึกเห็นมันเก็บลงดูซิ มีสตินะเห็นมันเก็บลองดูซิมันจะไม่มีฝังมันจะลาดไม่กระทบกระเทือนมากก้าที่สองขึ้นได้ไม่เก็บเห็นเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บพ้ดจากความเก็บมันเป็นภาวะของศาสตร์ของชิ้นจากการฝึก ศาดตร์ศิล น, นนี้ไม่ใช่สอนคนอื่นสอนให้เราศาสตร์ศิันแบบโลกทำคนอื่นสอนจนศาสตร์ิ้นนี่ตัวเองต้องสอนตัวเองสองดดัมผัสดูเป็นงดงามที่สุดสาหรับรองรับโลกโลกไม่กระทบกระทืน่นหรือว่าศาดตรสุกไม่เป็นสุกทุกไปเป็นทุก เรื่ศาสร์ว่าศิลป์นี่คือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์สนาเป็นชีวิตชีวาของผู้ฝึกมันเปิได้มีวัตถุกกอุปกรณ์ให้ฝึกครบถ้วนเครื่องมือครบถ้วนมีสติลงไปมีศรัทธาต่อความถูกต้อง แก่กิตเดิมแท้ภาวะปกติมีอยู่เหมือนเพกกป็นเิกกกติก็มีศรัทธาต่อปกติมีความเพียรมีศรัทธามีศีนมีสมาธิมีปัญญาเป็นพลังเข้าไปไม่อดไปอยากมีครบ เพื่อจะใช่พัฒนาสิ่งร่ายเป็นดีในชีวิตของเรานี่เป็นสิกขาและทำปมวิาจารไม่เปิดอเปื่อนสุกไม่เปิดอเปื่อนเห็นมันสุกไม่เปิดอเปื่อนถ้าสุกเป็นสุกเปิดอเพื่อนปมพืชปมวิาจารคือภาะวะมีสติเต็มที่ไม่ใช่มา เป็นเรื่องภายนอกมันเกิดจากภายในมันจึงมีภายนอกปฏิบัติก่อนบารียัตจึงเป็นสงเมื่อปฏิบัติลงไปก็มีการแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นความชอบไปหมดคิดชอบพูดชอบดําเลยชอบเตียงชีวิตชอบการงานชอบความ ถาเปลี่ยนชอบมีศรษฐีบมีัดราทีชอบใบเป็นสายไปเลยนะแต่มันตั้งต้นได้นะมันเป็นกระแสไปมาหน่อยเหยียบเส้นทางได้ถูกต้อง201งศูนหนึ่งงข้อ เกืยบเนทางสองศูนย์สองศูนย์นหนึ่งใช่มั้ย <c oughs> ถึงกรุงเทพเลยหมายเลข อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะก็ส ะ, ะดวกนะเวลามันหลงสติมาช่วยไม่ไม่ได้ฝึกเลยว่ามันชำนาญนนึ่งตามีตาผิดถูกเป็นตา ไม่ใช่รนะรู้เมตตีนะผิดถูกเป็นตารู้ดีเป็นรู้ผิดรู้ถูกเป็นตาชั่วดีเป็นตาตาแห่งความชั่วตาแห่งความดีไม่ต้องมีคาถามใครในชีวิตเรานี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อว่ากระเสจนเรา เดียนังองเฉยรู้อะไรต่างๆมันมีตาในชีวิตของเราเลยไม่ต้องไปท่องบนไม่ต้องไปท่องฌาปสติสติไม่ต้องไปยกมือช่างจังหวะไม่ต้องไปเดินจงกรมมันมีตาแล้วไม่ลบไม่เลือนเป็นเช่นเรามียาณทัศน์เห็นแล้วเกิดยานทัศนะเกิดการพบเห็น แม้จะนั่งอย่นี้ก็เห็นนอนก็เห็นยืนก็เห็นจะอยู่ในเธะแบบไหนเป็ยานทัศนะเห็นมันเจ๋ไม่เป็นผู้เจ๋เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเป็นมันตายไม่เป็นผู้ตายเป็นยานทัศน์ยานขนส่งเป็นยานอย่างลู่อันหนึ่งเป็นยานขนส่งอันหนึ่งลู่เหมืนจงพินเหมือนยานคือลู่ยอนขนส่ง ญานทัศนะญานอย่างรู้แน่นอนความถูกไม่ถูกต้องความไม่ถูกถูกต้องโอ้ความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องญ า, า, านทัศนะเมื่อเห็นนั่นนี้ยขนส่งเรียกว่าพุทธศาสนาขนส่งให้พ้นจากจิตเหล่านี้ไปแล้วก็เกิด หมดภาละลงได้หมดขน ห, หมดสิ่งที่ขนส่งที่ว่ามี ม, ดมดุดหลุดที่ถึงทุกอย่างหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างคือภมมจันทร์ภมมจันท์นี้คือมดุมอมดเป็นจุดหมายปลายทางม่ช่ลาวสกุลละเ ส, เสียงสนเย็นยอไม่ใช่วัตถุสิงของ เป็นชีวิตมันได้ชีวิตวิมุติคือชีวิตที่ไม่เป็นอะไรลองดูเช่นเขาสูตรวิมุตติภาวะไม่ชีวิตวิมุตติภาวะชีวิตไม่เป็นอะไรในโลกนี้สำเร็จในการฝึกตนสอนตนจบ มันก็จบไม่เหมือนวิชาการทางโลกจบไม่เป็นต้องดูแลรักษามาจากร่างกายเราเนี่ยการใช้ชีวิตนี่ก็ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องอยู่เสมอ่วนชีวิตจริงๆเนี่ยมันเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วรูปจับรูปโรคนามโรคเสือกรูปทุกนามทุกรูปหมด จริงที่เกิดขึ้นกับรูปกวานามไม่มีอะไรที่จะปิดบังอัปพามันก็อันเดียวมันไม่มีหลายอยา่างมันไม่งอกไปงามเหมือนกับพืชต้นอื่นหรืออันตลาอย่างอื่นหรือลูกภัยอันอื่นมันเป็นอันเดียวใครๆก็ฝึกได้ มั่นใจนะเราทุกคนต้องมั่นใจมีแต่วัตถุปรณกที่เอามาใช้ใลเรื่นี้มากมายแม้แต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเอามาใช้เพื่อให้เกิดวิวุฒหลุดพ้นได้ดินต้องเป็นดินอยู่เสมอน้ำก็เป็นน้ำอยู่สเสมออาจะขี้จะเยี่ยวใส เอของดีของเร็วของไล่ใส่ดินลิ้นก็ยังเป็นดินอยู่ไม่เป็นอื่นน้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่ไปล่างไปลดอะไรก็ยังเป็นน้าอยู่ไป ล, ล่างสิ่งที่จอดไปล่างสิ่งที่ตกปกก็เป็นน้ำลมก็จะเป็นลมพัดผ่านอะไรไปหมดอยู่ข้างหน้า จะเป็นอะไรอยู่ข้างหน้าลมล้มกาพัดไปเลยขานไปได้ฝอยมันจะมีอะไรมันก็ไม่เสมอกันหมดดีมัวกาไม่ช่วมก็ไม่ที่ว่าไอยมันก็เป็นไอยในชีวิตของเรานี่สิ่งเหล่านี้ก็ถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือพัฒนา มันก็ใช่ได้ให้เขาดูแลกันเนียก็ได้ว่าแต่เราอย่าไปยุ่งกับเขามากเกินไปขันห้ารูปเวทนาเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ข น, ขนวิญญาณขันไม่มีรูปขันแนี่เกิดที่รูปเรียกว่า ไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องดูไม่ต้องตายก็ไม่ทิ้งศพมันก็เกิดเจ็บเจ็บตายอยู่ตรงนี้ในขันห้านีเพราะอะไรเพราะมีภพมีชาติถ้ามีภพมีชาติสุขก็คือเราสุขทุกข์คือเราทุกข์ภพชาติในขันห้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีเกิดเจเจ็บตายเราทุกข์เป็นทุกข์เวทนา สุขเวทนาทุกเวทนานั่นถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ใ น, นขันต์ตัวเนี้ยต้องมีภพมีชาติแน่นอนบางภพบางชาติก็เป็นต่ำต่ ำ, ตำเป็นปู๋มันต่ำอับายเปิดสนรกเต๋าฉานเพราะตัวนี้มีภพมีภาวะเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนในเรื่องอย่างนี้แต่มีสติมันก็ไม่มีภาวะก็เห็น ไม่มีพบเนี่ยนี่มันทุกเหิดมันทุกไม่เป็นผู้ทุกผันสุกเกิดมันสุกไม่เป็นผู้สุขเมันอะไรเกิดขึ้นก็เวทนาทั้งหลายทั้งหลายไม่เป็นไม่เป็นประการมันไม่มีอำนาจในความเป็นที่สุกทุกไปสสำคัญภาวะที่ไม่เป็นเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเวทนาเกิดไม่เป็นสัญญาสังขารมยานเช่นเดียวกันขันเหล่านี้มัน เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่เกิดไม่มีพบไม่มีภาวะนี่ไม่เกิดแต่ว่าสิ้นชาติอันที่เกิดจากเปรตนาสัญญาธการวิญญาณสิ้นพบสิ้นชาติตรงนี้ไม่มีพบไม่มีชาติตรงนี้เป็นธรรมชาติ ที่มันสนับส น, นุนเป็นประโยชน์เป็นปุ๋ยเมตนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนปิญญาณนาขันเป็นปุ๋ยให้เกิดมรรคผลนอกกามขึ้นม า, างน้นพระพรุทธเจ้าได้ตัดสู้เรื่องนี้นอจาก มันเป็นทุกข์มันจึงไม่มีทุกข์มันหลงมันจึงไม่มีหลงเป็นสิ่งที่ทำไม่สูงจากเสลลเนทุกข์จึงไม่มีทุกข์หลงจึงไม่มีหลงปัญหาจะเป็นปัญญาแล้วก็ได้ประโยชน์ถ้าเราไม่ศึกษาเป็นวัฒนาเราก็เป็นทุกข์เป็นโทษ มันขี้ผิดขี้ถูกกกขี้ตายปายขี้เป็นนะน่าไล่เป็นดีหรือว่าปฏิบัติธรรมมีกันทุกคนนะไม่ไม่ยกเว้นใครเสมอกันหมดเรียกว่าสามัญลักษณะเสมอกันไม่ต้องบอยวายทุกข์ก็เสมอกันหมด สุก็เหมือนกันหมดโกรก็เหมือนกันหลงก็เหมือนกันหมดอย่าโวยวายต้องดูแลถั้ยให้มั่นใจไม่สติลงไปเพียงพอในวิชากรรมฐานนี่เพียงพออาศัยนิมิตช่วยรูปแบบกรรมฐานลมหายใจก็ช่วยได้การเคลื่อนไหวของกายของใจก็ช่วยได้ในความคิดก็ ยังมีสติได้ไม่มันเป็นนามธรรมยังฝึกให้เป็นธรรมได้ในรูปธรรมร่างกายจิตใจมันเจ็บมันปวด ก, ก็ยังใช่ได้งันไม่เที่ยงยังเป็นบักผลนิพพานเลยนั้นเป็นทุกข์ก็ยังเป็นบักผลนิพพานเลยแม้มันไม่ใช่ตัวตนก็เป็นมักเป็นผลนิพพานไปเลยมีแต่สิ่งที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปเ ในนามเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งเอาบาช่สํสำเร็จประโยชน์มันพ้อแ้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมวกเราเป็นนักบวชอยู่วัดป่าลาเนี่ยยิ่งเหมาะสมโดยตรงแนวหน้าแนวหน้ามั่นใจมีเฉพาะ งานอันนี้เท่านั้นในการถือเพศแ้าปว ด, ปวดมีมานานแล้วห้าพันปีแล้วไม่ใช่พวกเราเท่านั้นวัานศราร์ของเราก็เคยเป็นครับว่าได้มองเห็นสมณนะพเพื่พ อ, าาอนะจะทำงานอันนี้ อ่านพุทธประวัติ้ตองดูมันเป็นกระแสริมสายไปลำบากกว่าเรานะเพราะศาสิาเรานีโอบวดเดินคนเดียวในป่าอยู่คนเดียวในป่าท่องผ้าเป็นหลังคาอบป่าไม่เอาอากาศเป็นฝาเบิดใหม่ ลงจากหลังมากเดินไปไปเจอนายพานห่มจีวรห่มจีวรของพระนึกว่าเป็นสำนะจึงเข้าไปหามองรู้จริงๆไม่ใช่สำนะยังมีคันธนูพายยังมีรูรปธนูอยู่วน สภาอยู่ก็เลยถามว่าทำไมนจึงทำแต่นี้พานป่าบอกว่าขอบคุณผ้าจีวรมันทาให้ข้าพเจ้าจับสัตว์ต่อเยอะทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ได้รู้อะไรยังสอนพานแตะทำหน่าานี้มันก็ไม่ถูกต้อง เราอาศัยเรื่องนี้ไปทําชั่วถ้านนั่นมาเปลี่ยนกับเครื่องสรงของเราดูซิสีบอลของท่านมาเปลี่ยนกับเครื่องนุ่งห่มของเราตอนป่าก็ตอดตั้งเห็นเครื่องนุ่งดีก็ลเลยเปลี่ยนให้ดังทั้งที่เจะาทิ้งอยู่แล้วเราจากป่าไม่ใส่อยู่แล้วไปเห็นกันนาทีข้า ก, ก็ได้ จีวรทองผ่านป่ามะฮุมปลอยลองเรนไปพวกเราเดีมาที่นี่ไม่เหมือนพระศาสดาจีวรก็มีเพื่อนมิตรก็มีไม่เอาทองผ้าเป็นหลังคามีบ้านมีที่อยู่ไม่ลําบากไว้ก่อนต้องหัดกินพระศาสดาต้องหัดกิน ขนไม้ใบไม้บางประเภทในป่าเหมือนฉันนี่เราไปหาดแบบนั้น <c oughs> นี่เข้าให้กินนี่น้ำให้ดื่มสะดวกที่สุดเอาช่วงนี้เราพวกเราก็ตื่นรือล่้นกันชักงหน่อยตื่นแต่ดึกซึกแต่ห น, นุ่มอ้อที่หนึ่งก็ต้องให้เป็นประโยชน์วิดาที่หนึ่งก็เป็นประโยชน์ เพื่อการนนี่ล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันอยู่นาะโดยพิชากร็รมาถ่านทุกวิน า, าทียู่แขนเข้าเจียแขนออกต่หางก็มีนานเป็นใบชาบใบใยเลื่อนไ ป, ไไ ป, นไปแล้วทำได้ทุกคนในรูปมีนามเอาม า, ชาใช้เกิดความรู้หน่อโพธิปุกสติลงไป ตื่นลู yeah. e ่ลงไปตื่นล mm ู่ลงไปแข่งกับความหลงลงไปตื่นลู่ลงไปตื่นลู่ลงไปใช่ลงไปเถอะถ้าอะไรที่มันใช้ความหลุกเปลี่ยนอย่าไว้หน้ามันใครเขาก็เปลี่ยนอะเพื่อนเราก็เปลี่ยนเหมือนกันไมใช่เราเปลี่ยนคนเดียวไม่ใช่เราผิดคนเดียวหลงคนเดียวเพื่อนก็หลงจะไปคุยโวัดกันบางทีมีความสุขคนหนึ่งก็มีความสุขบางทีมีความทุกข์คนหนึ่งมีความทุกข์ ความผิดก็มีนละเห็นทุกคนไม่มีใครไม่เห็นมันต่างกับความรู้อยู่จิงที่ไม่ความรู้น่ยมันต่างกันมากเพราะเป็นการสัมผัสไม่ต้องมีคำถามใดๆนะเจึงน่าจะมั่นใจมั่นใจที่สุดกว่างานอืนอ่นงานอื่นต้องฝากไปกับอืนอ่น บางทีโชเฟอร์บางคนเราถามขับรถบรรทุกหนักจัดเมาไปซื้อกลืเบื้องมูลังคาสระบุรีจากท่ามาไปวานบรรทุกกลเบื้องเต็มรถหนักเวลาเขาขับขึ้นเขาลงเขารถถามว่าคุณมั่นใจเลย มั่นใจเขายังยิ้มเวลาลดขึ้นเขาหนักอื่นๆถ่ามันถอยหลังเนี่ยมันไปไม่ได้เครื่องดับจะเป็นไงมันก็ลงหน้าผาอย่างเดวมั่นใจผมมั่นใจผมมั่นใจมมนี่เป็นอันอื่นก็ยังมั่นใจคนขับช่างขับมา ก, ก็ยังเขายังมั่นใจให้เรานี่ตัวเองแท้ๆไม่มีอะไรเขยมทำให้เรามันผิดพลาดได้เลยนะ ถมีสตินะงั้นใจที่สุดเลยมาอะไรมาจะมารู้อยู่เนี่ยเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจเนี่ยสติเนี่ยเป็นสติอินทรีย์ใหญที่สุดใช้กายใช้ใจได้เป็นตํานาดใหญที่สุดฉิดทธิร100้อยเปอร์เนันเปอร์เที่ใช้กายใช้ใจให้ถูกต้องงั้นเจ้น า, านี่หรอวิชากรรมทาน วิชาี่มั่นใจกว่าการศึกษาเรงเงินนะใช่ไห ม, ไมชี้หน่อยดวไม่มั่นใจอะให้ความรักยิ่งใหญ่กว่าหรือให้ความเฉยฮาต้องมั่นใจรู้จักทัอสอขวัญเกเวลากราบพระพ่อาา ค, ครับ